ความพยายามจะมีผลความเพียรจะมีผลได้อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถม 2. ไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำสามไม่หมกมุ่นสยบในความสุขแม้ที่ชอบทำนั้น แต่หลักการใหญ่นั้นไม่ได้จบแค่สามข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปถึงตอนสําคัญซึ่งสรุปสาระสําสคัญได้เป็นข้อที่สี่ว่าพึงเพียรพยายามกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปข้อนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินสุดท้ายที่จะให้ถึงจุดหมายเพราะจะบรรลุธรรมสูงสุดสิ้นทุกสุขสมบูรณ์ก็ต้องกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้น พร้อมกันนั้นการทำความเพียรเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกนี้เมื่อว่าตามหลักของการปฏิบัติตามลำดับก็พูดได้อีกสำนวนหนึ่งว่าเพียนพยายามเพื่อเข้าถึงความสุขที่สูงขึ้นไปจนถึงสุขสูงสุดที่เป็นภาวะอันไร้ทุกโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงสรุปหลักที่ตรัสซึ่งจัดได้เป็นวิธีปฏิบัติต่อความสุขสี่ข้อดังนี้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 เบื่อนายการมาสุขแล้วและด้วยมุ่งหวังความสุขที่ประนีตขึ้นไปจึงบำเพ็ญข้อปฏิบัติบางอย่างซึ่งบางตอนมีลักษณะายากลำบากผู้ยังคล้องอยู่ในการมาสุขอาจจะมองการกระทําของเขาว่าเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวก็ได้ในกรณีเช่นนี้เมื่อผู้ปฏิบัตินั้นมีความพร้อมอยู่แล้วเบื่อนายการมาสุขอยู่แล้วซึ่งการอยู่ในการมาสุข กลับกลายเป็นความทุกข์สำหรับเขาก็ดีหรือแม้ยังไม่พร้อมดีนักแต่มองเห็นโทษของกรามเห็นคุณของความสุขที่ประนีตกว่าซึ่งเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาการเสพไม่ต้องคืนต่อวัตถุเป็นต้นภายนอกและมีความหวังว่าจะได้สุขที่ประนีตนั้นก็ดีข้อปฏิบัติที่ยากลำบากนั้นก็กลายเป็นแบบฝึกหัดสำหรับฝึกตน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 เช่นเดียวกับคนที่อยู่ในความสุขอันประนีตมองเห็นความเป็นอยู่ของคนที่คล้องในการมาสุขว่าเป็นความทุกข์แต่ทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในภาวะ น, นั่นเองยอมรู้ตัวว่าตนมีความสุขหรือไม่เป็นอันว่าปัญหาที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่นิยมสุขหรือนิยมทุกข์คือเป็นสุขขานิยมหรือทุกขานิยมฝ่ายสุขหรือฝ่ายทุกข์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 ในแง่นี้ข้อยุติก็คือท่านถือว่าความสุขประนีตสำคัญกว่าจึงตกลงว่าควรมีความสุขประณีตอย่างน้อยก็มีทั้งการมสุขและสุขประณีตด้วยคืออย่างน้อยก็ให้ได้อย่างบุคคลโสดาบันและสกทาคามีที่ว่าการมสุขก็ยังเสพไม่ทิ้งไปสุขอิสระข้างในก็ถึงด้วย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 หากผู้ใดขาดความสุขที่พึงได้พึงถึงทั้งสองด้านเช่นการมาสุขก็สูญเสียไปแล้วความสุขปราณีตก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวเพื่อให้ได้คนนั้นท่านถือว่าเป็นผู้มีชีวิตพลาดที่สุดโดยในยานนี้รพระภิกษุผู้สละการมมาสุขไปแล้วจะไม่ได้ตั้งใจฝึกฝนตนเพื่อความสุขที่พราณีตหรือฝึกไม่สำเร็จ จึงอยู่ในฐานะตกต่ำเป็นผู้พลาดจากประโยชน์ยิ่งกว่าชาวบ้านที่เสพกามมสุขพูดง่ายๆในแง่นี้ว่าพระไม่ดีเต็มที่กว่าขรือหัดหรือน่าสงสารกว่าขรือหัดดังพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายอุรบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้แต่เป็นผู้มีความละโมบมีราคาแรงกล้าในการมทั้งหลายมีจิตพยาบาท มีความดาริแห่งใจที่แรงร้ายมีสติเละเลือนไร้สัมปัตชัญญะใจไม่มีสมาธิจิตพลานปล่อยหินรีไม่สำรวมบุคคลผู้นี้เรากล่าวว่ามีอุ ป, ปมาเหมือนดุนฟืนเผาผีที่ไฟไหม้ปลายเสลาทั้งสองข้างอีกตรงกลางก็เปื้อนคูดจะใช้ประโยชน์เป็นเครื่องไม้ในบ้านก็ไม่ได้ผลเป็นเครื่องไม้ในป่าก็ไม่ได้ผล โคะของเขาฤ ห, หัสเขาก็เสื่อมไปเสียแล้วประโยชน์ที่มุ่งหมายของความเป็นสมณะเขาก็ทำไม่บริบูรณ์ไม่ได้